แต่ถ้าหากว่ากรรมชนิดหนึ่งที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมก็คือการพิจารณาเจริญสติปัฏฐานหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปนีน้เราก็เลยอริยมรรคเกิดได้อย่างไรมองเห็นดอกไม้จะอริยมรรคถ้าจะเกิดเกิดได้อย่างไรนะถ้าหากว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆต้องตอบได้ผู้ศาสนาขึ้นต้นสู่แรกเลยนะปฏิเสธการมัศุขลัิการนุยโยก ปฏิเสธอัตกิลมัฐานุโยคแต่เป็นคำสอนที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาเห็นดอกไม้เป็นมัชชิมาปฏิปทาได้อย่างไรมัชชิมาปฏิปทาได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเห็นและเป็นอริยมรรคได้อย่างไรนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อาศัยจำดีหน่อยนะก็จะบอกว่าอริยมรรคเกิดได้เพราะปริญญาสามใช่ไหม ท่านเอาสุดโตรงอันแรกก่อนครับการ ม, มาสุการิการุโยกก็คือสแสวงหาความสุขจากเห็นดอกไม้แล้วนะชื่น<ต>ชม ท, ทั้งนู้นโอโ้ยงามจริงๆเลยดอกไม้อันนี้นะนี่ไม่ใช่มัชชิมาอันนี้ไม่ใช่มัชชิมาแต่ถ้าเป็นอาตากบอกเห็นแล้วกิเลสมันเกิดต้องรับัาเกรงไว้บีตาให้มันแน่นอย่าไปคิดถึงมัน <c oughs> คือคือในลักษณะที่ไปกด เรียกนะว่าไปทำให้วิบากและกรรมชร้อโรมันท ร, รมานให้อกุศลมันเกิดไม่ใช่ให้อกุสรวิบากมันเกิดขึ้นใช่หมสมมติถ้ามองเห็นดอกไม้ปั๊บนี่เอาอะไรมาขูดตาเลยให้มันเจ็บให้มันปวดอย่าไปสนใจมันลักษณะนั้นเป็นลักษณะของอัตตกิรามะทานุโยคสมัยพุทธกาลนี่นะที่เขาสแสวงหาความบริสุทธิ์แบบนั้นมีอยู่มีจนพออย่างเ<ม>ช่นะอ่า ในสำนักของเดินสมพี่น้องเนี่ยเขาสอนลูกศิษย์เขาถ้าใครมีกามวิตกไปไปขนทรายไปขนทรายมากองเสร็จแล้วก็ไปอาบน้า อ, อาบน้ำเสร็จแล้วมาผิงไฟใครมีพยาบาทที่ตกก็ทำแบบเนี้ยโอ้ยทรายเนี่ยกองพเนนเนนทึกเลยพาทุกคนเนี่ยจะต้องขึ้นไปขนทรายเนี่ยเป็นทรมานอ่ะไม่ให้จิตมันเป็นแบบนั้นน่ะ าบางคนนะขออภัยเขาบอกว่าถ้ากิเลสเกิดแบบลักษณะกิเลสแบบจหยาบเกิดเห็นไหมเขาบอกว่าหาอะไรมาถ่วง ห, หาอะไรม า, มาแบบเป็นหนักหน่อยมาถ่วงนะแปลว่าจะได้ลดกิเลสไอ้พวกนั้นเป็นลักษณะของอัตตกิละมัฐานุโยคเพราะฉะนั้นแต่มัชฌิมาปฏิปธรรมไม่เอียงในโลภะและไม่สุดตรงไปในโทสะแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้น ถ้าความรู้ขึ้นเนี่ยอย่างสมมตินะกรรมสกตาจะเกิดได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดว่าการเอาดอกไม้บูชาในในวัตถุที่ควรบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ย <c oughs> การบูชานั้นมีผลใช่การบูชานั้นมีผลนี้ก็เป็นมัชฌิมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับมัชฌิมาแบบบริบูรณ์นะันะการรักษาศีลเนี่ยนะการที่บุคคลไม่ปล่อยจิตให้ไหลไป ในในสิ่งเหล่านี้ให้อกุศลแจิตมันไหลไปนะสังวียจกักขุนศีไม่ให้อกุศลมันเกิดนี้ก็มีผลอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของศีลอกุศลก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นลักษณะของภาวนากุศลนะอาจจะเจริญกสิณเจริญอะไรต่อไปนะในชั้นของสมถภ า, าวนาแต่ถ้าในชั้นของวิปัสสนาภาวนาปั๊บเนี่ยสงเคราะห์ความจริงอันนี้โดยขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะและอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่ง นะเคยที่ธรรมากล่าวอย่างนี้เพราะไม่อยากปรุงสูตรสําเร็จให้ใครว่าจะเอาอย่างงี้เท่านั้นนะไม่ได้เพราะว่าคําสอนพระองค์กล่าวไว้กว้างเราก็พยายามกล่าวตามอย่าลืมว่าของธรรมาเนี่ยไม่ลืมนะเพราะว่าคําสอนที่เอามาพูดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าต้องไม่เอาอัธยาศัยของเรามาว่าพยายามที่จะกล่าวตามท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละนี่คือสมมุติถ้าดอกไม้เนี่ยเป็นรูปารมณ์ใช่ไหมดังนั้นเป็นอายตนะภายนอกโดย อายตนะเป็นรูปอายตนะโดยธาตุเป็นรูปธาตุใช่ไหมโดยขันเป็นเป็นรูปประขันนะขันเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นรูปรูปอันนี้เนี่ยถขาบอกว่าถ้ารูปประขันรูปมีทั้งหมดยี่สิบแปดอกไม้เป็นได้กี่รูปเป็นได้กี่รูปเป็นได้แปดรูปนะคืออวินิโพครูปแปดใช่ไหมถ้าวินิโพครูปแปดถ้ารู้ทางตาเรียกว่า รูปารมณ์หรือสีใช่ไหมถ้าดมก็เป็นคันธารมเป็นกลิ่นในอารมณ์หละ่ะแล้วจิตที่ไปมีดอกไม้นี่เป็นอารมณ์เนี่ยเป็นได้กี่ดวงใช่ไหมวิญญาณขันรูปเขาบอกว่าถ้ารู้จากรูปขันจริงๆจะต้องรู้จักนามขันด้วยแล้วถ่านี้เป็นรูปารมณ์จิตที่ไปคิดเรื่องนี้เป็นได้กี่ดวงใช่ไหม อาเช่นธาตุทางตาเลยนะจกักขูวิญญาณสามารถที่จะมีสีเป็นอารมณ์ได้สัมปติชนะจิตสันติชนะจิตโวทัพนาจิตชาวนาจิตความคิดนึกต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้อะนะแล้วในจิตเหล่านี้เนี่ยเป็นได้กี่อย่างถ้าชาวนาจิตที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์เป็ น, ปนกุศลได้ไหมเป็นอกุศลได้ไหมถ้าเป็นอกุศลเป็นได้อย่างไร ถ้าเป็นกุศลเป็นได้อย่างไรถามว่าข้อความนี้ว่าเอาเองใช่ไหมบอกไม่ใช่คำสอนในสังโยชน์ในอัยตนะบพัสติประฐานสูตรกล่าวว่าพึงรู้จากจักสุขพึงรู้จักรูปพึงรู้จากสังโยชน์ที่อาศัยตากับรูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยถ้าสังโยชน์มันเกิดก็รู้นะว่ามันเกิดถ้ามันยังไม่เกิดมันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดเพราะอะไร คิดยังไงโลภะจะเกิดคิดยังไงให้โทสะเกิดใช่ไหมหรือถ้าหากว่ามันไม่เกิดเนี่ยสังโยชน์ไม่เกิดรู้ด้วยประการใดรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยทํายังไงกุศลจิตจึงจะเกิดแทนอ่นนะถ้าสังโยชน์ที่เกิดแล้วจะละละได้อย่างไงถ้าละแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยเด็ดขาดเมื่อไหร่รู้ชัดประการนั้นด้วยอันนี้เป็นอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานถ้าใครบอกจะใช้สติปัฏฐานอย่างเดียวเนี่ยนะ ต้องเอาให้ครบสูตรสูตรว่ า, าไว้อย่างไรจริงที่ท่านกล่าววันนี้น่าสนใจจริงนะทําไมเราถึงจ ะ, จะเจริญอย่างนี้ไม่ได้ น, น่าจะเจริญได้นะคือที่เจริญไม่ได้เนี่ยส่วนต้นเลยก็คือหนึ่งเร า, าไม่ได้ตําหน่งนะเพียงแต่ ว, ว่าหนึ่งทำมังสารานางังฆาชามีเราอ่อนไปนะที่ว่าทำมังสารานางังฆาชามีเนี่ยอ่อนเพราะว่าเราจําไม่ได้เลยว่าพระธรรมเรากล่าวไว้อย่างไงม้าง ก็เหมือนกับดับที่นึกถึงว่ายมพ่อจะใช้ให้ไปซื้อของอย่างเงี้ยเราก็เดินเล่นไปซื้ออะไรวะเนี่ยเดินเล่นไปครึ่งทางนล้วนะได้เกือบกิโลหนึ่งแล้วอ่ะนึกไม่ได้ยพ่อเราใช้ให้ไปซื้ออะไรวะเนี่ยกลับไปถามใหม่โอ้เดินนอะหน้ามึดเลย <S <S 2> <S 2> เหมือนกันพิจารณาพระธรรมเหมือนกันเราจําคําสอนไม่ได้เมื่อจําคําสอนไม่ได้ทําตามไม่ถูกแน่นอนนะทําตามไม่ถูกแน่นอนเพราะว่า การเจริญในลนะักษณะการพิจารณาธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมทางตาเนี่ยนะก็บอกทาวารมี6ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจยถ้าปฏิบัติธรรมทางทาวารตานี่จะทํำยังไงจะให้ตาเนี่หลับตางั้นคนที่หลับตาตลอดก็เป็นกุศลตลอดใช่ไหมถ้าลืมตาลืมตายัางไงจึงจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราศึกษาเนี่ยเรื่องกรรมเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอะกุศลนเ แต่ถ้าเอาในชั้นแบบหยาบๆหน่อยก็เอาเป็นลักษณะที่ล่วงกำรลรังนะคือล่วงกรรมคิดไม่คิดจะลักขโมยเนี่ยก็ใช้ได้แล้วอันนั้นเป็นความดีระดับหนึ่งแต่ความดีในระดับนั้นความดีนั้นให้ผลเป็นสุขจริงแต่ผลแห่งความดีนั้นก็หมดไปนะผลแห่งกุศลที่เกิดจากคิดจะให้อาจจะคิดให้เป็นกุศลก็คิดเอาดอกไม้ไปบูชาพระซะก็ได้บุญแล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ยากใช่ไหมอันนั้นเป็นคิดเรียกว่าอันนี้ไม่ต้องศึกษามากนะครับ เจนพรแต่เป็นกุศลที่เป็นไปประเภทวตัถึงบอกเออเอาดอกไม้ไปบูชาพระแล้วตั้งความปรารถนาว่าอุย้ยสาธุอนาคตกาลขอให้ขพเจ้าได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงพระธรรมคําคสอนนั่งเถอะนะตั้งความปรารถนาเสร็จแล้วก็ว เ, เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่น <c oughs> ก็คือปั้งความปรารถนาเพื่อมาเรียนรู้เรื่องนี้แหละไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเพื่อที่จะมาฟังและ ว, วิจัยเรื่องนี้ วิจัยเรื่องตาเรื่องสีเรื่องจิตเห็นเรื่องผัสสะเวทนาเป็นต้นถ้าหากว่าเราเข้าใจดีๆนะเห็นนี่แล้วเป็นกรรมได้อย่างไรเห็นอย่างนี้เป็นผลของกรรมได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจปั๊บจะเบื่อหน่ายในสังสาระอันนี้ได้อย่างไรนะถ้าจะถอนถอนได้อย่างไรจะถอนบาปถอนอกุศลได้อย่างไรหรืออีกในหนึ่งถ้าเราจะคิดอีกในหนึ่งเป็นอริยสัจได้อย่างไรเนี่ย คำสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจเราเห็นดอกไม้เป็นอริยสัจอะไรนะเป็นทุกขอริยสัจเป็นสมุทยัยอริยสัจเป็นนิโรธอริยสัจเป็นนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วเป็นอริยสัจข้อไหนแล้วในอริยสัจนั้ น, น, นมีกิจควรปฏิบัติอย่างไรนะคือคือเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจ ะ, ะต้องใช้คาว่าจำเลยแหละเพราะสาวกใช่ไม สาวกคือผู้ฟังฟังและจําไม่ได้เขาจะเรียกคนฟังไหมเพราะฉะนั้นเรื่องความจำเนี่ยมีมีความสําคัญค่อนข้างมากเคอถ้าหากว่าเห็นเป็นสาระจริงๆเดี๋ยวก็จำได้เคอถ้าหากว่าเรานับถือพระธรรมเป็นศาสนะจริงๆแล้วเราก็จะค่อย ๆ, ๆจำแล้วจําปั๊บเราจะความรู้อันนี้จะเริ่มเป็นของเรามากขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอุปนิสัยเพื่อกุศลชั้นสูงๆต่อไปแต่ถ้าเราไม่ไม่คิดวิจัยลักษณะนี้เลยนะก็ขอามาดูท่าแล้วน่าจะอีกนานน่าจะอีกนานไปเถอะไปเพื่อที่จะมาเข้าใจเรื่องนี้นั่นแหละถามว่าทาไมจึงต้องทำไมจึงต้องมาวิจัยอย่างนี้นะเราต้องรู้ไว้่าทำไมต้องมาวิจัยอย่างนี้ถ้ามวิจัยอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นเจนนะ คือที่กล่าวเนี่ยนะเพียง<ม>เพื่อให้เราเห็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสีนี่มีแค่ดอกไม้อันเดียวใช่ไหมโลกเนี่ยลืมตาตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยเราเห็นแค่ดอกไม้อันนี้อันเดียวยไหม ใ, ในทุกอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาได้อย่างไรโดยทฤษฎีเดียวกันถ้าท่านพิจารณาตรงนี้ได้นะโอ้สบายเลยที่เหลือก็ไม่ยากล ะ, ละเข้าสวนก็บสบายเลยอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ <จะ S 2> หน้าต<ะ>่างก็วิจัยได้หมดเลยถามว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้เอาละพูดอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ย ถ้าไม่คิดวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วการวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยมันดียังไงอวันนี้อลองไปคิดดูดิในชั้นต้นเนี่ยนะกุศ ล, ลจิตที่เกิดขึ้นกุศลอันนั้นไม่มีโทษเจตนาอันนั้นก็เป็นปุญญาพิสังขารอยู่แต่การเจริญอย่างนี้เป็นอุปนิสัยเพื่อให้มรรคกุศลเกิดถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้อริยมรรคจะไม่มีอุปนิสัยขึ้น อย่าลืมว่าอาริยมรรคเนี่ยเป็นสังขารใช่ไหมอริยมรรคคือสังขารสังขารนันนั้นเนี่ยถูกปรุงอย่างมากมายจึงจะจึงจะเกิดขึ้นได้อันสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นนะถ้าอาหารไหนที่ปรุงอร่อยราคาแพงถ้าปรุงหวยที่ถุดๆที่สุ ด, ถ, ดถ้าบูดแล้วก็ถูกมากขนาดอาหารเนี่ยยังราคาแพง ในกุศลแจิตก็เหมือนกันแม้แต่เพชรนี่ก็ถูกปรุงแต่งนะมาก่อจะไปะเป็นเพชรขนาดนั้นถ้าเพชรใหญ่มากดีมากก็แพงมากถ้ากรวดนี่ก็ถูกแต่ก็มีราคานะแต่ก็ถูกหน่อยชั้นในกุศลจิตก็เหมือนกันถ้ากุศลชั้นสูงเลยเนี่ยจะต้องราคาของเขาจะต้องมากกุศลเหล่านี้จะต้องมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างมากอันท่าถ้าพูดอีกในหนึ่งนะถ้ากุศลจิตเหล่านี้เนี่ยกุศลธรรมดาต้องเกิด เป็นสักแสนโกดครั้ง น, นะนะอริยมรรคจึงจะเกิดได้เนี่ยเราพิจารณาวันละครสองครั้งเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่นะทีนี้พูดอีกในหนึ่งบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรฉันจะไปปฏิบัติเอาชาติหน้าไอชาตเทวานี่มันชาติไหนแน่ใจนะว่าจะมีคำสอนให้ใ ห, ให้ได้คิดแบบนี้อีกเพราะผู้ที่จะมีคำสอนเรื่องอริยศาสตร์ได้นั้นต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง แล้วเราแน่ใจขนาดไหนว่าเราจะต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเจริญกุศลประเภทรูออรอ้อริยสัจอีกแล้วก็แค่ชาตินี้เราก็ดูตัวอย่างดูสิห่างตั้งสองพันกว่าปีแล้วอะ่ะถ้าผมจเจริญวันละครั้งนะครับอายุเจ็ดสิบห้าผมจ ะ, จะเจริญได 3, ้สามพันกว่าครั้งวันละครั้งสามพันกว่าครั้งแล้วแสนโกดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นห่างไกลามากเลย <c oughs> แต่ถ้าหากว่าต้องแบบ หรืออาจจะครั้งละสามชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็เป็นอาจจะเป็นไปได้ครั้งละสามชั่วโมงได้เรื่องดีเดียวอ่ะเชิญพรัคือเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเป็นพระสมัยก่อนนะท่านพิจารณาของท่านอยู่ทั้งวันทั้งเว้นแต่หลับท่านคิดเรื่องนี้นะท่านวิจัยเว้นแต่หลับจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าจะถ้าจะพูดแบบํานวนเนี่ยจะมีอะไรนักหนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอาพระไตรปิฎกสงเคราะห์ลงมาวิจัยอันนี้ อาศัยคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้ววิจัยเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคำสอนเรื่องอริยสัจนะปัญญาก็เพื่อละโมหะละความไม่รู้เลยนั่นแหละก็เจริญกุศลจนกว่าความรู้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจสูตรนะค่อยๆ ค, คิดตามพับเนี่ยไม่ยากนะทีนี้นี่อาศัยตัวอย่างภายนอกถ้าตัวอย่างภายในที่จริงแล้วพระ อ, องค์เน้นที่ภายในเป็นส่วนมากเน้นที่อะไรที่ใช้คาว่าตา หูจมูกลิ้นกายกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นคือกระดูกคือเยื่อในกระดูกคือม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเสล็ดน้ำมันข้นน้ำไขข้อน้ำมูดันะ้น แล้วก็มันสมองในกระโหลกศีรษะแล้วก็ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายร้อนธาตุไฟที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารธาตุไฟที่เกิดขึ้นในคราวเป็นไข้ลมพัดขึ้นเบื้องบนน่ะนะลมพัดลงเบื้องต่าลงในท้องในลใําไส้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมที่พัดทั่วสารพางกายที่ทำให้อิรยาบดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป นะพวกนี้จะต้องวิจัยหมดโดยสมุดฐานนะทั้งหมดเนี่ยนะแล้วสงเคอาะลงสมุดฐานทั้งสี่ปการคือโดยกรรมจิตอุตุและอาหารนะสามารถที่จะไล่นะก็คือปล่อยวันวันหนึ่งให้มีความคิดคิดอยู่ในเรื่องนะเช่นท่านพิจ น, นาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันงอกบนสีสะสีษะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยงอกอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหม ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันผิวหนังก็ไม่รู้่ามันหุ้มเนื้อไว้เนื้อก็ไม่ไม่รู้ว่ามันไปหุ้มเนื้อในส่วนอื่นๆไปอีกไม่รู้ว่าหุ้มเอ็นหุ้มกระดูกนะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันเลยตนี่นี่คือพิเริ่มพิจารณาเรื่องรูปถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆเข้านะจะเริ่มเห็นสภาพของจิตที่ไปคิดเรื่องนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าชัดเรื่องรูปเท่าไหร่จะชัดนามเท่านั้นด้วย จะรู้จักความคิดของเรามากขึ้นที่ไปคิดเรื่องนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วจะเริ่มแยกแยะความรู้สึกนึกคิดได้นั้นถ้าหากว่าเราตรึกได้บ่อยๆนะวันๆหนึ่งเนี่ยใช้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยหมุนไปกับเรื่องนี้มากๆนั่นเป็นการเจริญกุศลประเภทกายคตาสติบอกผู้ที่อบรมกายคตาสติมากเรียกว่าใกล้ใกล้นิพพานมากนะ กายคตาสติเนี่ยเป็นสูตรที่พระองค์ทรงยกย่องมากจริงๆเลยในใ น, ในกายยัตาสติสูตรนี่ก็ก็ยกย่องมากะนะหรือว่าในเอกาณิบาศก็ยกย่องมากจริงๆอันวันวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาตรึกเรื่องตัวเองมากๆเรื่องผมคนเล็บเรื่องของเรานี่แหละไม่เอาเรื่องของอื่นมาตรึกก็ได้ถ้าตรึกมากๆขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของเนคข ม, มวิตกนะ ในคคามาวิตกก็จะเกิดขึ้นมากๆเถอในไหนเราก็คิดอยู่แล้วเพราะเรื่องบางเรื่องที่เราคิดบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตอะไรของเรานรักเราก็ใช้เวลาที่เหลือมาคิดเรื่องราวเหล่านี้ก็จะจะเกิดประโยชน์มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะกรรมสักกตาก็ต้องมั่นคงหน่อยถ้าเราปล่อยความคิดเราถ้าเราไม่อบรมความคิดนะคติของผู้ที่ไม่อบรมจิตพบใดใช่ไหม ก็ต้องถามเรื่องเหตุเรื่องผล ก, กรรมสกตาก็ต้องมั่นคงหน่อยเจนพานเรื่องราวเหล่านี้นะต้องค่อนข้างตรึกถ้าตรึกระยะหนึ่งนะสมมตินะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราคิดเรื่องหนึ่งนะในคิดเรื่องบนศีสากของเราเนี่ยผมมันก็ไม่รู้นะว่ามันงอกอยู่บนศีสศากสีสากก็ไม่รู้ว่ามีผมงอกอยู่ข้างบนนะไล่มาจนถึงผิวหนังแต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะแม้กระทั่งขนคิ้วก็ไม่รู้ว่ามันงอก ในติดผิวหนังผิวหนังก็ไม่รู้ว่ามีคิ้วงอกออกมานะทะวารแต่และส่วนไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรึกอย่างนี้เยอะๆเยอะๆขึ้นนะแล้วในในในในสรีระของเรามีตาด้วยใช่ไหมตามันก็ไม่รู้นะว่ามันเห็นสีสีมันก็ไม่รู้ว่าถูกตาเห็นต่างฝ่ายตามไม่รู้เลยนะเสียงที่มันดังดังเนี่ยเสียงมันก็ไม่รู้ว่าถูกได้ยินไอหูที่ที่รับเสียงมันก็ไม่รู้ว่ามันรับเสียง ใช่ไหมจมูกก็เหมือนกันไล่ทวารลิ้นก็เหมือนกันเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะฟันมันก็ไม่รู้ว่ามันบดอาหารอาหารก็ไม่รู้ว่าถูกบดอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันนะตึกเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเอาความรู้ น, นี้สงเคราะห์ลงขันธาตุอายตนะลงไปสงเคราะห์ปัจจัยลงไปมันก็เป็นความรู้ซึ่งเกิดสามารถสืบเนื่องได้พวกนี้เป็นทวนากุศลนะผู้ใดที่มีความสามารถในการตรึกบ่อยๆ แต่พอามาเชื่อนะถ้าใครสามารถตรึกได้ยาวคนนั้นเนี่ยจะได้รับความพิเศษนะจริงๆนะเพราะว่าธรรมะนี่ควรต่อการเพ่งธรรมะที่ควรต่อการเพ่งครับพิจารณาบ่อยๆจะทําให้เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสมาธิด้วยในขณะนั้นนั้นจะได้รับความสุขและความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระองค์บอกว่าไม่ควรกลัวต่อสุขที่เกิดจากเนคขมะอันนะั้ แล้วก็จะสบายใจนะถ้าถ้าตรึกบ่อยๆนี่จะสบายใจจะมีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความสุขทึ่งไม่ใช่ความสุขเกิดจากการได้ได้รับประทานอาหารอร่อยๆนะแต่มันก็ความสุขอาจจะคล้ายคลึงกันแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการพิจารณาจะรู้ว่าเออสุขแบบนี้ไม่มีโทษะจะเริ่มเห็นคุณค่าของการจเจริญกุศลมากขึ้นทีนี้ถ้าวิจัยได้บ่อยๆมากขึ้นนะมันก็จะวิจัยเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยหมวดพระธรรมหมวดอื่นที่เรา เชื่อไหยถ้าเราคิดเรื่องตัวเรามากนะพระไตรปิฎกจะพูดแต่เรื่องตัวเราถ้าเราคิดแต่เรื่องคนอื่นมากพระไตรปดฎกก็จะพูดแต่เรื่องคนอื่นคําสอนพุทธเจ้ามีความพิเศษมากแล้วแต่เราจะคิดเรื่องอะไรคําสอนจะไปอยู่ในเรื่องนั้นด้วยเพราะคําสอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคําสอนที่เกิดจากปฏิสัมพิธาเนี่ยรอบหมดเลยแต่ถ้าจะให้คําาอเจริญคําสอนนั้นเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องน้อมคําสอนมาเพื่อการพิจารณามากๆ ทีนี้ถ้าอย่างลงในในใ น, ในกายเราได้มากขึ้นปั๊บเนี่ยนะจะเริ่มรู้จักผัสสะจะเริ่มรู้จักเวทนาเพราะเวทนามันเกิดเกิดข้างในใช่ไหมอย่างอย่างในปฏิจจสมุปบาทนะองค์สิบสองเนี่ยนะภายนอกมีอยู่กลุ่มเดียวคือสลายยตนะอายตนาภายนอกที่เหลือกล่าวภายในหมดเลยภา ย, ภายในตัวเราหมดเลยอย่างเช่นผัสสะผัสสะเนี่ยนะถ้าผัสสะทางหูจะเป็นยังไง ภาษาทางหูคือภาษานี้เกิดจากอะไรก่อนเสียงภาษาเกิดจากความประชุมของธรรมะสามอย่างหูเสียงโสตวิญญาณภาษาจึงเกิดอันที่เราได้ยินเสียงแต่ละคำที่เรียกว่าภสษะนั่นน่ะอาศัยองค์ประชุมนะอันเราท้องห้างตรึกบ่อยๆลักษณะาธาตุก็ได้หูมันก็ไม่รู้ว่ารับเสียงเสียงก็ไม่รู้ว่าหูได้ยินอ น, นะตรึกแบบนี้บ่อยๆเข้านะจิต จิตได้ยินเสียงมันก็ไม่ยากเสร็จแล้วสามอย่างแต่ละคําปั๊บนั่นคือภษัษาเพราะภาษาปับ๊บเวทนาเวทนาก็ทําให้เกิดนะแล้วแต่เสียงนั้นเป็นเสียงอะไรอีกครั้งหนึงแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการใส่ใจในพระธรรมแบบนี้เพ่งแบบนี้ขณะที่ได้ยินเสียงนั้นจิตเป็นกุศลเพราะเป็นกุศลที่เริ่มมาวิจัยความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้นี้ถ้าวิจัยไปมากๆขึ้นจะเห็นว่า วิญญาณที่ได้ยินเสียงผัสสะเวทนาพวกนี้เป็นจิตชาติเป็นชาติวิบากพอได้ยินพับความรู้สึกนึกคิดทํากรรมใหม่แล้วนะก็จะเริ่มมองเห็นชีวิตในอดีตซึ่งเราเคยได้ยินเสียงมันก็โดยเหตปัจจัยแบบนี้ในอนาคตถ้าจะมีหูเพื่อได้ยินเสียงก็จะเป็นแบบนี้อีกชาติไหนพบใดก็ตามไปเกิดเป็นเทวดาก็เพื่อได้ยินเสียงเพียงแต่เสียงมันดีกว่านี้อีกหน่อยเท่านั้นเองก็ก็มีพบภูก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ แต่ละอย่างมีความถาวรไหมหูนี่มั่นคงไหมหูก็ไม่มั่นคงนะคุณชูเนะมันมันงอนงันน่าดูเลยนะ <c oughs> มันงอนงัน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่มีควแล้วตัวมันเองเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยอ่ะสิ่งนั้นอ่ะสาระคือนิจจะสาระในตัวมันไม่มี สุขาสาระไม่มีสุภาษสาระก็ไม่มีอัตสาระก็ไม่มีเกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติหูก็วิบัติได้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือนกันถ้าอาหารมีปัญหาแต่ละส่วนนี้ก็มีปัญหาเลยนะถ้าจิตมีปัญหาส่วนกาย น, นั้นก็มีปัญหาอีกนะจะวิบัติเพรา ะ, ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นของที่น่ารังเกียบเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนะถ้าปัญญาเราอบรมเจริญเห็น ตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นมากๆก็เป็นอนุปัสนาไอ้เรียกว่ากายะกายานุปัสสีอนุปัสสีตรงนั้นก็คืออนุปัสนาตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะถ้าอนุปัสนาเกิดมากๆเกิดบ่อยๆนะแล้วก็จะทำให้เกิดประเภทนิพพานุปัสนาะที่ที่ว่านะสัพเพสังขาราอนิจจตนะิเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงนะ สเพสังขารานิจติยะท่าปัญญายะปั ส, สติอธานิพินติตดุก เ, เอสั ม, มโควิสุทติยาเมื่อใดบุคคลตามเห็นสังขารว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาจะเหนื่อยหน่ายในวัตทุกในสิ่งที่ตนหลงนะความเหนื่อยหน่ายนะหรือเบื่อหน่ายหรือนิพิทานเนี่ยนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันตัวปัญญากุศลที่พัฒนามากๆขึ้น กุศลอันนั้นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดเขาเรียกว่าเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อ ย, ยกตนอ่ะนะเรียกว่าเป็นกุศลประเภทขึ้นบกไม่ใช่กุศลประเภทเดินทวนน้าไป่เฉยแต่ขึ้นบกทีนี้พอขึ้นบกปุ๊บเนี่ยฉลามร้ายปลาร้ายอะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ําที่เกิดจากโอฆโยฆาเนี่ยไม่มีอีกแล้วถ้าขึ้นฝั่งได้ก็สบายแล้ว